สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99จากเรื่องของคุณต้องครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังต่อที่เรื่องของคุณนัทเป็นเรื่องที่7ของเราในค่าคืนวันนี้ครับคุณนัทมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้ไปรู้จัก กับชายเร่ร่อนคนหนึ่งและก็เป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดครับใช้ชื่อเรื่องว่าชายใต้สะพานเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่าคืนวันนี้นะครับอยู่กันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังตีหนกับอีกประมาณ7นาที2เรื่องนี้น่าจะเกือบเกือบตี2แล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 17, 1 7 1 2งหท่านในค่าคืนของวันอาทิตย์นะฮะ ที่ง่วงอดทนอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจบแล้วคุณผู้ฟังนะครับอย่าเพิ่งหลับกันไปก่อนนะฮะตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนัทได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณนัทตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนที่บ้านของเองครับอยู่แถวไหนครับอยู่แถวรังสิตนะครับอยู่แถวรังสิตนะนะฮะคุณนัทเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยนะครับนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกนะตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายเลยนะนะครับไม่ต้องประหม่าไม่ต้องตื่นเต้นถือซะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆมานั่งคุยเรื่องที่เราไปเจอมากันครับนะครับมาเดี๋ยวถามก่อนข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผมได้มาบอกว่าคุณนัทเนี่ยได้ไปรู้จักกับ ชายเร่ร่อนคนหนึ่งใช่ครับผมเลยเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะใช<อ>่ครับนะครับเป็นยังไงครับชายใต้สะพานที่ว่านี้อ่ะแต่ถามกดย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเรื่องนี้ไม่นานครับเดือนที่แล้วเองครับ<ะ>เดือนที่แล้วครับเดือนที่ผ่านมานี่ครัเหรอใช่ครับผมเอออ่ะชายใต้สะพานเป็นยังไงครับโซ่โร้อนๆมากเชิญฮะครับผม ก็แต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายเรื่องด้วยนะครับอย่าเพิ่งบอกสิอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกได้ผมครับผมโอเคอก็ก็คือว่าชายเล่รอนคนนี้ยผมผมไม่รู้จักชื่อแกเหรอครับว่าแกชื่ออะไรฮะแล้วแกมาจากไหนมาจากไหนไม่รู้ว่าแต่ว่าอ่าแกจะอยู่ใต้สะพานตรงเนี้ยฮะประมาณสองปีสามปีแล้วครับ อประมาเป็นปีที่แกออืจะสายรับนอนอยู่ที่เนี่ยครัสะพานที่ว่านี้เป็นสะพานข้ามคลองสะพานข้ามถนนสะพานลอยมันเป็นอ่าสะพานขั้นแยกครับอแล้วแกจะอาศัยรับนอนตรงตรงทางกับรถใต้สะพานอ่านึกภาพอ่ะเป็นขั้นแยกนะฮะแกก็จะหลับนอนตรงตรงเสาหม้อสะพานนะครับที่อยู่ตรงทางกับรถครับนะฮะด้านด้านในแกก็จะหลบฟ้ารถไฟตรงนั้นนะครับครับ อ่าแล้วครันนี้อ่าเนื่องจากว่าตัวแกจะดำๆคำ้าค้ำนะฮะ mm hmm. แต่ผมก็คืออ่าทั้งพี่วินมอไซค์แล้วก็ใครที่แบบก็จะเรียกแกลุงดำนะครับ mm hmm. อ่าและแกก็อ่าอาศัยตรงนั้นและแกก็เก็บขยะเก็บพวกของเก่าครับ mm hmm. ขวดพลาสติกกระป๋องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ื่อเป็นแลกเป็นเงินมาก็ เองเงินไปอ่าซื้อข้าวกินอะไรเนี่ยครับก็รับจ้างเล็ ก, ลกๆน้อยๆแล้วแต่ใครจะจะจ้างแกจนใหญ่ไอ้ถ้าเกิดจะจ้างแกเนี่ยจนใหญ่ก็จะจ้างแกไปพวกถังญ้า อ, อะไรประมาณเนี้ยฮะนะฮะแกก็ะจะรับเงินแต่แกจะดีอย่างแกไม่เป็นคนรักขโมยอืแล้วก็ไม่ของเงินใครอะ่ะใครยิบยื่นเงินให้แกเนี่ยแกจะมัด แ่จะไม่เอาฮะแต่ว่าถ้าให้พวกของเสื้อผ้าเก่าๆหรือว่าของกินอะไรเงี้ยฮะแกรับนะคะอย่างอย่างผมที่ผมไปรู้จักกับลุงดำเนี่ยเขลุงดำนะครับ <c oughs> ก็คือว่าผมมีหลุงพ่อผมเนี่ยจะบวชอยู่ที่วัดแล้วก็ทุกๆุกวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปหาหลุงพ่อ ทำอทาทำความเสถียุ่ยตีนะลุงพ่อก็จะให้พวกข้าววัดหรือแ่ก็อาของเครื่องใช้อะไรเงี้ยครับเลยเป็นเงินน้อยกลับมาครับแล้วพอให้กลับมาผมขับรถผ่านตรงที่ลุงดําจะอยู่เนะี่ยผมก็จะจอดรถแล้วก็จะเอากับข้าวหรือไม้่ก็ของใช้นะฮะที่ได้มาจากลุงพ่อเนี่ยครับก็จะแบ่งลุงดำนะอืมอือืมนะฮะช่วงแรกผมให้แกลุงดําแกก็ จะไม่รับแต่ก่อีผมบอกว่าผมอ่ะได้มาจากหลวงพ่อแต่ก็หลวงพ่อเนี่ยแกฝากมาให้อ่าประมาณนั้นแต่ก็เลยรับแต่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอคือว่าทุกวันอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ผมกลับจากวัดผมว่าไว้เอาของเอากับข้าวให้แกอยู่เสมอคือทุกอาทิตย์เลยครับว่ า, างกันครับก็เหมือนว่าก็เลยรู้จักแกแต่ผมไม่ค่อยคุยกับแกเท่าไหร่นะ เอาแวะก็จะจอดแวะก็จะบอกลุ้งเอาของมาให้แกก็รับอะไรอย่างเนี้ยครับอันนี้ผมเล่าเหตุการณ์่ที่เกิดขึ้นวันนั้นมันเป็นวันเสาร์ช่วงปลายอนที่ผ่านมาผมจําไม่ได้ว่ามันจะประมาณวันที่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะอยู่ประมาณช่วงวันเสาร์ที่ยี่สี่ย้าผมไม่แม่นเรื่องวันนะครับแต่วันนั้นเป็นวันเสาร์เอตใจให้ดูผมว่าลางรถอิน้าบาน ดำแกก็เขียนจักรยานอาจจะมีจักรยานหนึ่งแกเลยแกจะเขียนจักรยานแล้วก็เพื่อไปเก็บของเก่านะครั บ, รบผมก็เจอหลวงดําแกก็เห็นจักรยานหน้าบ้านก็ไม่ได้ทักอะไรแต่วันในวันเสาร์คือช่วงประมาณสี่โมงเช้านะครั บ, รบนะฮะแกเี็นจักรยานหน้าไม่ได้ทักอะไรนะครับอแต่ในช่วงเย็นผมก็ออกไปทํางานต้องบอกก่อนผมคืนผมอะอ่า เป็นเจ้าดูแลสนามแบดมินตันแล้วก็เป็นครูสอนแบดด้วยครับครับแต่นี้ชีวิตทํางานผมว่าผมจะกลับบ้านดึกทุกวันเลยคะอืห้าทุ่มเชียงคืนที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่สนามแบดนะครับถ้าใครเล่นแบดจะรู้ว่าจะกลับดึกมากมากนะครับดึกใช่ไหมใช่ครับยิ่งมีกวนตีแบดอะไรเงี้ยก็จะดึกเลยครับผมผมไม่เคยกลับบ้าน ก่อนสองทุ่มนะฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแบบนี้ทุกวันเลยครัอือืมอืมครับคอันนี้คันนี้ในวันเสาร์ผมก็เจอแกนะฮะแต่ผมก็ไปทํางานตอนเย็นวันวันเสาร์เนี่ยมันจะปิดดึกผมก็จะเลื่อประมาณเที่ยงคืนอืเที่ยงคืนแล้วกว่าลูกค้าจะกลับกว่าอะไรจะทําดูแลสนามอะไรเสร็จก็ผมก็จะผ่านตรงที่ที่แกนอนนะครับ คือผมแค่ขับรถผ่านตรงที่ขับรถตรงที่ทีแกนอนนะครับ uh, uh, uh. ประมาณเที่ยงคืนครึ่งในวันเสาร์ uh huh. ผมก็เห็นแล้วว่าแกนอนอยู่พ uh huh. อผมกลับรถไปแบบพอขับรถเข้าไปผมจะเห็นเลยครับส uh huh. ายไปอาจจะไปก็จะเห็นว่าแกนอนอยู่ uh huh. จากอุทยานแกก็พิงเต่าหม้อตะพานอยู่ออื uh huh. ในวันเสาร์นะครวันเสาร์ก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นปกติ uh huh. ไม่มีอไรเกิดขึ้น แค่นี้ในวาทิตย์นอนาทิตย์นะฮะผมก็ไปหาหลุงพ่อครับนะครับเอากับโปงกับข้าวอะไรเสร็จก็กับเข้าเสร็จวันที่ก็กลับมาออืก็แวะไปให้ลุงดําเป็นปกติครับลุงดําก็เจอลุงดําก็ให้ลุงดําก็พูดคุยกันนิดหน่อยลุงดำเปีนยังบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับอ่าก็พูดคุยกันเป็นปกติลุงดำแค่บอกก็โอเคอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคุณที่เอา กับข้า อ, าอะไรมาให้อะไรเงี้ยอ mm. อืนะฮะอ่าก็ทักทายกันประมาณห้าทีสิบลัี่ไม่ไม่เกิดนั้นนะครับ mm hmm. ผมก็กลับบ้านวันอาทิตย์นะครับกลับบ้านครับผมวันวันที่กลับบ้านเหตุการณ์ก็เป็นปกติมืน mm hmm. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอท mm hmm. ่นี้วันจันทร์ต่อมานะครับวันจันทร์ mm hmm. นะครับผมก็กลับจากสนามแบบที่ผมบอกกลับสนาม ผมออกจากสนามแบบพรผ่านตรงนั้นก็จะอสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วทุกวันครับผ่านตรงที่จับรถตรงนี้แกอยู่อ่ะครับควันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยผมไม่เห็นแกออืผมเห็นอ่าผมไม่เห็นแกผมเห็นเจ้จักรยานอืที่พิงเตาหม้ออยู่คือไม่เห็นแกนอนอยูอ่ไม่เห็นแกนอนทุกปกติผมต้องเห็นแกทุกวันครับทุกวันเลยครับขับรถผ่านตรงนั้นต้องเห็นแก ไม่นั่งหรือไม่ไม่นั่งก็นอนอยู่ออืแต่วันจันอังคทและพุธผมไม่เห็นแต่เห็นจักรยานแกพิงเตาหม้ออยู่ไม่มีการขยับไปเยื่อไปไหนจากวันรณทิ์เลยะครับครับผมแล้วก็ของใช้ที่ผมเอาแปลให้วารณทิศเนี่ยแกก็แขวนแกแหนจักรยานไว้อือ่าที่ผมเอาแปลงวารณทิศแกก็แขวนไว้ก็อยู่ที่เดิมนะฮะเหมือนเหมือนไม่ได้ถูกขยับไปเยื่อไปไหนออืแล้วก็ไอ อะไรนะที่นอนที่แกทำมาะฮะทําจากลังไม้หรือแผ่นป้ายอะไรที่แกที่จะทําไว้สำหรับลกฟ้องลูกฝนนะครับเข้า ไ, ไหมฮะเป็นอกองสี่เหลี่ยมบ้านเปล่าอสามวันบ้านเปล่าเออไม่ไ ม, ไม่ไม่เจอแกนอนอยู่ผมก็แปลกใจว่าแกเป็นไหนเออค่ําคืนแกเป็นไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จอนมาถามไครอะครับก็กลับบ้านนอนปกติเหมือนไม่ดมี ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์มันจเริ่มเกิดวันพฤหัสวันพฤหัสผมก็ออกจากสนามแบบผมจำได้ประมาณห้าทุ่มนะครับก็ขับผ่านที่ที่แกนอนประมาณห้าทุ่มครึ่งนะฮะครั้เนี้ยผมก็เจอแกแกนอนหันหลังแกนอนที่ที่แกนอนปกต แต่แกนอนหันหลังนะฮะไม่ได้นอนหันหน้าไม่ได้นั่งแกนอนหันหลังผมก็ขับรถผ่านไปศาสตร์ไฟหน้ารถตัดสาดเห็นแกเออผมพอเห็นแกนอนอยู่ก็ผมก็เออแกกลับมาแล้วอสามวันที่ผ่านมาแกคงไปเที่ยวมั้งอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นนะครับก็ขับรถกลับบ้านไปวันพฤหัสเห็นนะเห็นแกนอนเลยครับออืมาวันศุกร์ก็เหมือนเดิมครับประมาณ เวลาห้าทุ่มประมาณนั้นเหมือนกันกันสุกก็เห็นแค่นอนอยู่ที่เดิมนอนหันหลังอีงกเหมือ น, นกันเพาแกนอนนั่นแหละเหมือนเดิมแต่วันสุกอออื่าวันสุกวันพฤหัสเห็นวันสุกเห็นแกนอนอยู่ก็ น, นี้ผมก็ยังไม่จอดรถยังไม่ลงไปหาแกนะเพราะว่ามันมันมันห้าทุ่มแต่ว่าใจเริ่มคิดละแกคงไม่สบายป่ะเนี่ยคิดคิดอย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้ ว่แกไม่จะไปแน่นอนเลยครับกลับถึงบ้านจะคุยกับแฟนห้องใสแตอืมคุณคุณคุณคุณนัทสัญญาณหายครับอ้าวคุณอ่าสัญญาณขาดครับคุณนัทอ้าวได้ยินไหมมาแล้วฮะมาแล้วฮะอ่าครับได้ยินนะอ่าได้ยินครับต่อเลยครับมากลับไปถึงบ้านคุยกับแฟน ใช่ผมคุยกัแฟนบอกว่าจำลุงที่ผ่านหน้าบ้านเจ็บขระยาดเจ็บปวดได้ไหมที่ถุงใส่แกคงไม่สบายว่ะครับเนี่ยแกนอนขับรถกลับมาเห็นแกนอนอืนอนหันหลังอยู่แต่แกไม่สบายว่แะแล้วแกเป็นชายเล่นร้อนด้วยแก้จะแบบไอจะไปหา묻ถามห ม, หหมอมียากินหรือแบบอะไรอย่างเงี้งยได้ไหมฮะเออแต่ก็นี้ว่าแฟนบอกว่าผมก็อยากจะออกออกไปดูแกนะแต่แฟนบอกมันดึกแล้วอย่าออกไปเลยตรงนี้แล้วกัน แถวเสื้อกันหนาวกับเป้าผมอะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อะขับรถผ่านอ่ะเดี๋ยวแวะเอาไปให้แกให้ผมก็เอาไปให้แกผมก็เตรียมเสื้อแขนหนาวและเป้าผมแล้วก็ยาพารากระปุกเลยอ่ะอ่ะเก็บไว้ในรถเลยครับครับทีนี้วันเสาร์มันมีกวนตีแบบมันเลิกดึกออืประมาณเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนเลิกผมก็ออกจากสนามแบบเที่ยงคืนครึ่ง ผ่านตรงที่แกนอนก็ผ่านตรที่แกนอนก็เกือบปีหนึ่งแล้วเห็นแกนอนหันหลังอยู่เหมือนเดิมเหมือนวันเหมือนวันเพิ่งเลิกหัดแล้ววันทั่ยึดปนหลังแกนอนหันหลังอยู่อันนี้ผมว่าจอดรถรถผมว่าจอดจอดตรงตรงที่กลับรถนะฮะทางการหนวงกว้างเหมืนก็จอดลิ้นลิ้นแล้วก็เอาเท้าห่มแล้วก็อ่าเรื่อกันหนาวแล้วก็ยาพารากระปุกที่เตรียมไว้ครับเรนลองปล่อยให้แกแบบนี้ลุ้งลุ้ ไม่สบายหรือเปล่าจ้าลุงแกกำลังยิงอยู่ออืผมก็เรียกลุงไม่สบายหรือเปล่าแกก็บอกอืไม่สบายแต่แกไม่หันไม่หันหน้ามานะครับแกหันหลังตลอดแกบอกไม่สบายผมก็บอกไม่สบายไปหาหมอยางแกบอกว่ายังไม่ได้ไปอผมก็บอกทําไมไม่ไปอ่ะไม่มีตังค์เหรอตังค์ป้าผมผมมีตังค์ลุงแกบอกไม่เป็นไรออื แกปวดขานิดหน่อยแกพูดถึงนี้แต่ผมว่าสังเกตที่ขาแกเนี่ยแกแกมีมีผ้านะครผ้ารับรับไว้ใต้หัวเขา่าด้านซ้ายอะครับเป็นเป็นผ้ารับไว้ใต้หัวเขา่าด้านซ้ายอ่ะครับครั บ, รบผมก็แกก็บอกว่าแกปวดขาผมก็ถามว่าไปหาหมอยังแกบอกยังไม่ไปมีตังไหมผมเอาตังให้อื แกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแกพู้หญิงนี้แต่แกไม่หันหลังไม่หันหน้ามาคุยกับผมนะออืแกนอนหันหลังอยู่ครับอแต่ผมก็บอกผมมีเสื้อกันหนาวมีแป้าบ่มแล้วมียาพารามาให้ในนี้นะครับมามาให้แกก็บอกว่าขอบคุมากอะไรเงี้ยออืแล้วอันนี้มันดึกแล้วครับผมก็อ่า ผมก็แบบว่าไม่ได้คุยกับแกนานนะแล้วมีมีตอนนึงตอนนี้ผมกําลังคุยกับแกนในวันเสาร์นะฮะตอนนั้นกําลังคุยกับแกอยู่ว่ะมันมีวินมอเตอร์ไซค์ผมจำได้มีมอเตอร์ไซค์พี่คนเนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ปากทางบ้านผมมาแหละฮะแกขับเข้ามาแล้วก็แสงไฟมอเตอร์ไซค์มันสาดมาผมก็เห็นหน้าพี่วินนี่แหละเขาก็เห็นผมผมก็เห็นเค้าพี่อันนี้ที่วินแกขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแกต้องแบบ ขับแบบชะลอชะลอนะที่ไม่บอกผนแล้วแกก็มองหน้าผมมองแบบมองตามฮะออืแกขับผ่านไปวุ้แกก็มองหน้าผมเนี้ยมองแบบแปลกใจผมก็นึกไม่แจว่าพี่ทอามองผมทำไมครับครับอ่าฮะที่มองผมใหม่แล้วี่เขก็ผ่านไปพี่ก็ขับเลยอกไปวุ้พีก็วิ่งรีบบิดมอไซด์วิ่งผ่านไปอ่ะออืฮะผมก็ไม่รู้ทีนี้ผมก็คุยกับลุงดำเออลุงดำ ผมเนี่ยผมกลับบ้ า, านก่อนนะอืมเนี่ยของผมเอามาให้อ่ ะ, ะลุงดําก็วางไว้ตรงอบนบนข้างหลังไอหลังหลั ง, ล ง, ลงเพงิงที่จะนอนเขาฮะมผมวางไว้ข้างบนมัน ก, กลับแล้วพอผมบอกผมจะกลับลุงดําดีย๋ยหันหน้ามาหม อ, อมแต่ก็ก็พูดคําแบบสั้นๆเออเออแค่นี้นะครับแต่ผมก็ยังพูดว่าลุงไปหาหมอนะอือเออ แล้วไม่ไปกินยาด้วยนะอด้านหนาวก็ห่มผ้าห่มผู้นี้แล้วผมก็ขึ้นรถขับออืขับกลับนะครับกลับบ้านปกติมาวันอาทิตย์ผมก็ไปหาหลวงพ่อตามปกติครับหาหลวงพ่อตามปกติเอากับข้าวอะไรมาตามปกติเลยอืวิ่งผ่านตรงตรงที่ลุงดําแก่อยู่อ่ะครับก็แวะจะเอาไข่แก่ออื แต่ไม่เห็นแกนะฮะไม่เห็นจักรยานอยู่เหมือนเดิมของที่ผมเอามาให้เมื่อคืนวางอยู่จิ้นผมขยื่นผมก็ลงจอดรถลงปุ๊บพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ปากทางที่ผมเจอเมื่อคืนจนได้ไหมครับหรือเล่าเมื่อกี้นี้แกขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยครับบอกว่าน้องน้องลุงดำจะตายแล้วนะผมใช่แกพูดเงี้ยแกเห็นหน้าผม บลุงดำจะตายนะนะผมบอกผมก็บอกให้ตายเมื่อไหร่เมื่อเช้าเหรอแกตายตั้งแต่เมื่อเช้าวันจันทรตั้งแต่วันจันทวันจันท์ครับออที่จําไหมป่าผมผมไปเอาของไปให้ลุงดำมาวันอาทิตย์ครับแล้วก็วันจันทธนาคารพูดไม่เห็นจําได้ครับจําได้ได้ครับออืพี่วินนั้นบอกลุงดําตายตั้งแต่วันจันทรรคับผมบอกเคยไม่ใช่ออ ผมเห็นลุงดําเนี่ยนอนะวันพฤหัสแกนอนอยู่วันศุกร์แกนอนอยู่วันเสาผมยังมาคุยกับแกเอาเสื้อเอาผ้าผมมาให้เมื่อคืนแล้วพี่ก็ยังเห็นผมครับแล้วพี่ก็บอกเมื่อคืนน่ะผมขับก็บอกเมื่อคืนน่ะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่มองหน้าน้องครับเปี่ยงแปลกใจว่าน้องมานั่งทําอะไรตรงนี้ออแกบอกผมว่าแปลกใจว่าน้องมานั่งทําอะไรตรงนี้ แล้วแกมองหน้าผมและแกถือขับมอเตอ์ไซค์ไปแล้ววันเนี้ยแกเห็นผมแกและคีอมอไซค์มาบอกผมเพราะเขาเห็นว่าผมอ ข, ขอมาให้ลุงดำาหาอือนกันแกก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับอกว่าแกลุงดําแกตายได้วันจันทร์แต่ผมก็เลยคุ ย, ยผมก็เลยคุยลุงดําทําไมตายครับแกบอกว่าลุงดําอะแกไปรับจ้างใครเหยียบญ้า เหยียดยาแบบญ้าหลังบ้านญ้าย่าเนี้ยฮะแล้วแกโดนงูกัดอู้หูฮะโดนงูกัดตายพี่แกบอกพ<อ>ี่แกบอกว่าแกปวดขาแล้วก็มีผีผ้ามาัดมัดใต้หัวเข่าอ่ะฮะอ่าแกบอกว่าแกปวดขาครับแกถูกงูกัดตายแล้วก็<อ>ไม่มีใครรู้ครับอืม แกก็กลับมานอนในที่แกเพรแกโดนงูกัดแกก็กลับมานอนในในตอนยังตอนวันจันทร์น่นนะฮะแล้วก็มีคนมาแบบมารู้ว่าแกตายช่วงประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงฮะครับแล้วมูลิตีก็เลยเก็บเก็บศพแกไปนฮะในวันจันทร์นะฮะครับครับเขาโดนงูกัดตายอุ้องสารลุงยังเลยอ่ะใช่ครับออื อ่าแล้วเรารู้อย่างนั้นแล้วยังไงต่อฮะชีวิตเอ้ยเมื่อคืนฉันคุยกับใครใช่ออผมเห็นวันพฤหัสผมเห็นวันตุกสนเห็นวันเสาร์ผมนั่งคุยกับแกประมาณสิบนาทีครับเออเดี๋ยวผมคุยกับใครแล้วภาพมันชัดมากมันไม่ใช่แบบลางๆนะครับภาพมันชัดว่าเห็นแกนอนอยู่แตต้งแต่ต้องบอกว่าที่ที่แกนอนอยู่เนี่ย ไฟมันสลัวไฟไม่ได้แบบสว่างครับมันเป็นไฟใต้สะพานเนื้ออะอย่างงี้ยแล้วตอนที่แกเห็นหน้ามาเห็นแกใช่ไหมเห็นหน้าแกเห็นหน้าแกค้ำๆครับเพราะตัวแกดําอยู่แล้วครับอทีนี้เรารู้แล้วว่าลุงดําเสียแล้วเรายังไงครับจากเหตุการณ์นะตอนนั้นที่ยืนคุยกับพี่วินมอไซต์ตอนนั้นคนลุกครับแบบก็แบบใจมันวูบเลยครับใจมันวูบเลยฮะขนลุกแบบว่านั้นเลยครับ ก็คุยกับพี่วินเสร็จพี่วินบอกจริงไหมโกหกเล่จริงเลยถามใครก็ได้กคบตรงนี้ผมก็เลยมองไปที่ของที่ที่ให้แกไว้อะจักรยานแกก็ยังอยู่ของของแกไม่มีใครแตะต้องเลยของเราให้แกไปแล้วก็ทำไงล่ะเราก็เลยต้องปล่อยไว้ยางงั้นนะฮะก็วันนั้นวันอาทิตย์วันนั้นผมก็กลับบ้าน อ่าใช่ผมก็กลับบ้านฮะกลับบ้านตอนเย็นก็มาบอกออกับแฟนเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวทําบุญเกิดบ่ายแกนะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าวันอาทิตย์วันนั้นผมก็ยังไม่ได้ไปผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนะฮะวันอาทิตย์ก็ออกไปสนามแบบตามปกติผมก็สอนแบบไปดูสนามแบบหลายตามปกตินะครับก็กลับวันอาทิตย์จะ กลับเร็วนิดหนึง่งออกจากสนามแบบตีทุ่มครึ่งก็สีทุ่มครึ่งเสร็จบัดทำนู่นทำ น, นี้แล้วก็เคลียร์เงินกับเจ้าของสนามครับก็5ห้าทุ่มนะฮะแต่ห้าทุ่มก็วิ่งวิ่งวิ่งรถจับบ้านนะครับมันต้องผ่านตรงกลับรถตรงนั้นแต่คันนี้ม่ในวันเอาผมลืมบอกพี่นิดหนึง่งในวันเสาร์รที่ผมลงไปคุยกับแก ผมลืมบอาพักไปด้วยอ๋ออ๋ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคเป็นคองพักไปนะแต่วันต่อผมไม่ได้ค้องพักไปลืมครับครับคับครับครับครับครัคิันะครับอืออครับครัรงจุดนั้นตรงบคัับครับคับคับครับรับครกับรถบรับัับรับครับรับครับครับครับครับครับครับครับับรับคกัับรับครับครับครับครับ แต่มันยังไงไม่รู้ครับพอวิ่งถึงตรงนั้นด้วยความเคยชินนะฮะก็วิ่งกลับรถที่เดิมที่พี่แกอยู่อะครับทีนี้ต้องกลับรถมันวิ่งเข้ามาแล้วได้ประมาณครึ่งทางบวกวันนี้ครึ้นได้บวกหวานมพิ่งเจอนะวันนี้ด้วยความเคยชินเลี้ยวเข้ามาอีกมาครึ่งทางแล้วจะถอยหลังดีไหมนึกในใจจะถอยหลังดีไหมแต่ว่าจิตใจนีกก็บอก มาครึ่งแล้วไมมีอะไรหลอกมั้งอืเราก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรแกเดียร์แกแกคงไม่อะไรหลอมั้งครับเลยวิ่งออกไปวิ่งไปได้อ่าหัวโค้งเนี่ยมองนะ่ะไม่เจอครับไม่มีไอมองลงที่แกนอนอยู่ไม่เห็นเลยไม่เจอแล้วล่ะก็เลยเลี้ยวออกไปแต่ไออหัวโค้งที่จะเลี้ยวออกครับ แกไปยืนอัว่โงใต้ต่อม อ, อนี่ส อ, องเะฮะยืนทำอะไรยืนเลยครับ ย, ยืนเลยยืนยืนโบกมือโบอกรถผมนะฮะอุ้อฮะแลวผมแลวผมต้องไอ้นี่คือวนันอาทิษนะครับครับครับไม่เป็นไรเ ร, นนนเรื่องวันช่างมันเรื่องวันช่างมันอ่าออ ยืนบกรถและต้องบอกก่ว่ารถผมว่ามันเป็นรถเก่าอัอนนี้รถเก่ารถเก่ามันจะไม่มีแอร์ผมก็ต้องเปิดกระจกวิ่งแกยืนบกบกรถแหละทำไงกระจกผมมันเป็นกระจกมือหมุนแต่ <ric> เอื้อบไม่ทันแล้ว ม, มันไม่ใช่กระจกไฟฟ้ า, าก็คือเห็นแล้วเราว่าแกยืนบบกรถอยู่ผมก็ชะลอรถเกือบเกือบจะจอดนะนะในใจว่าเอาไงดีผมก็เลย S <s เหยียบเลยครับเหยียบคือวิ่งให้มันเร็วขึ้นนะครับแกโบกรถนะแล้วแกเหมือนว่าแกวิ่งตามหรือเดินเดินแบบเร็วเดินเร็วๆครับกํำลังเลี้ยวโค้งออกอแกพูดมาแกก็ตะโกนตะโกนตามตามหลังนะครับว่าไอ้นุ่มไม่ต้องอมาขอไม่ให้ลุงล้นะอยลุง ไ, <ห>ไม่ต้ใช้แล้วลุงไม่ลุงไม่ได้ใช้แล้วคืออครับ ผมว่าวิ่งออกไปแล้วแกยัตะโกนตามหลัง mm. อีกคำหนึ่งชัดมาก <Yeah. S 1> ล, ลุงอลุงห้าแปดแล้ว uh, uh. ลอลุงอ่าลุงห้าแปดแล้วลุงไม่อยู่แล้วลุงจะไปแล้วนะเมยต้องเอาของมาให้ลุงอีกผมก็วิ่งออกไปผมกเหยียบบอลไปเลยโคง้งผมกเหยียบพื้นไปเลยฮนะ mm. อาตาตาไม่มองกระจกหลังไม่มองกระจกแต่มัน กังใจว่าจะไม่มองแต่มันยังเหลือบเปลี่ยนแกวิ่งเหยาะๆครับวิ่งเหาะๆเหมือนวิ่งมันวิ่งตามนะครับอะย่าง้จะโกนหนิกว่าอย่าลืมลุงนะอย่าลืมนะะแกปุ้ยก็วิ่งกลับบ้านไปครับไม่ไม่มีอะไรกลับบ้านไปแฟนก็บอกแฟนเขาบอกว่าจะทําบุญครัจะปาดกดน้าให้แกนะอผมก็มาเล่าให้ฟังครับในหู จำได้เลยครับลุงนะห้าแปดแล้วแฟนก็เป็นคนเล่นหวยนะครับก็ไปซื้อห้าแปดแปดห้าปรากฏว่าหลังกนอนนั้นได้กี่วันก็หวยออกแ5ห้าครับเอาเหรอแกมาให้โชคแกมาให้คืนแหละเหมือนกับที่คุณนัดเคยให้แกอ่ะใช่ครับเอออหุ่ยมันก็แบบ ได้นิดนึงก็แบบว่าแฝนเล่นไปไม่เยอะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> อย่าไปพูดถึงร <า S 1> เรื่องอะไรพวกนั้นเลยนะฮะคระ <า S 1> วังตำรวจจะจับเราเออนะครับก็ถือว่าเราได้ดวงได้ได้ได้มากก็เขาให้ก็โอเคแต่มันน่ากลัวตอนที่โอ้โแกมายืนโบกรถอยู่เนี่ยเราเรารู้แล้วไงว่าแกมไม่ใช่คนแล้วไงเออเอเออขับ เออมาตอนนั้นผมก็้นลุกขนลุกขวดเออขนลุกนึกถึงขนลุกผมมันจะเหมือนตั้งๆเลยนะออืวิ่งขับรถออกมาเลยเพรมันจับมากฮจริงๆในชีวิตผมว่าเจอจะบจับอย่างเงี้ยมันก็หลายหลายครั้งนะแต่ครั้งนี้มันชัดเจนมากเลยถึงขนาดวิ่งมาบอกนะเออแกคงมาให้โชคให้ราบแหละคุณคุณนัทนะครับใชายใต้สะพานแล้วทุกวันนี้ยังมีคนเจอคุณลุงอีกไหม อ่าผมหลังจากวันนั้นผมก็หลังจากวันนั้นผมก็ต้องไปกลับรถอเลยไปอีกประมาณสักสองโลครับไม่กล้าบ้านไม่กล้ากลับตรงไม่กล้าอยู่จนงระทั้งเราเราไปทำบุญใส่บาตรให้แก่ครับตดน้ําให้แกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับแล้ก็ลงกลับที่เดิมอยู่นะแล้วก็พยายามจะไม่มองอนะที่เดิมอยู่ก็ไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่ไม่เจอไม่เห็นตรงแก อยู่เหมือนเดิมครับโอยังอยู่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องนะะอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอจักรยานแกก็ยังอยู่ของแกก็ยังอยู่ก็ไม่มีใครไปแตะต้องว่ามันมันพึ่งผ่านมาได้นี่ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนนีตอนนี้ไม่ไม่เจอลุงแกแล้วลุงก็ไม่ได้มาเข้าฝันบอกอะไรจะไปแล้วล่ะนะใช่ได้ครับคุณนัทนั่นคือเรื่องของชายใต้สะพาน นะฮะมาน่ากลัวตอนท้ายตื่นเต้นดีได้ขอบคุณมากมากคุณนัทที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วมีโอกาสได้ผมผมมาเล่าอีกได้ไหมฮะได้สิครับได้สิครับยังมีเรื่องที่แบบสุดๆกว่านี้เยังมีอยู่่ะได้เมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคุณนัทนะได้ครับผมขอบคุณมากมากคุณนัทครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ u b s ไ r i b e channel the ghost radio official กันด้วยนะครับ <c oughs>